นัปโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัปโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัปโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวายะธรรมาสังขาราอะพะมารเถนะสัมปาเทถะ อ้ ย, ยังตถาคตะสะัจพชินมาวาจจะตีวันนี้พวกเราท้งหรายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกิจบำเพ็ญหน้าที่ต่อคุณยายเชื้อพงพิพัฒคุโรงลังบคนเราเมื่อเกิดมาก็มีกายกับใจและเมื่อ สิ้นชีวิตก็มีกายหรือร่างกายที่ผู้ที่ยังอยู่จำเป็นจะช่วยกําปรง o n g ที่ว่าปร o ง o สรีระหรือปรง l o สดพวกเราก็กำลังจะบําเพ็ญหน้าที่นี้ในอีกไม่นานเพื่อให้สรีระของคุณยายเชือ้อได้คืนสู่ดินน้ำไฟลง ในส่วนวิญญาณหรือดวงวิญญาณของท่านพวเรานะก็มาร่วมกันเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้กับท่านตลอด6กวังที่ผ่านมาอาทิเช่นการถวายสังฆทานเป็นต้นทั้งนี้เพราะว่าผู้ที่ลงรักนั้นเนี่ย ต่างจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต้องการอาหารต้องการน้าต้องการปัจจัยสี่แต่ผู้ที่ลงลับนั้นปัจจัยสี่ดังกล่าวไม่จำเป็นแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังจำเป็นและควรที่เราจะรึกนึกถึงนั่นก็คือบุญกุศล ผู้ที่ลงลับไปแล้วไม่สามารถจะนำสิ่งใดไปได้เลยในพบหนะ้าแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดมีบริษัทบริวารมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถจะเอาไปได้จำเป็นต้องทิ้งไว้ในพบนี้ให้ลูกหลานได้ใช้ต่อ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะติดตัวไปสู่พบหน้านั่นก็คือบุญกุศลบุญกุศลนั้นเนี่ยสามารถจะเอื้อหน่วยให้ผู้ลงรับได้ประสบสุขในสังระยภพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพวกเราซึ่งเป็นลูกหลาน หรือว่าพิสาสิก ร, รชนคือคนรู้จักเมื่อลึกนึกถึงคุณยายเชื้อผู้ล่วงลับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เพื่อให้วิจฑยของท่านประสบสุข น, นั่นก็คือบำเพ็ญกุศลให้กับท่านดังที่พวกเราได้พร้อมเพรียงกันมาตลอดหกวันที่ผ่านมา โดยมีวันนี้เป็นวันที่เจ็การบาเพ็ญกุศลนั้นสำหรับชาวพุทธก็ยังทําไปได้เรื่อยๆแม้สังขารของท่านหรือร่างกายของท่านจะได้รับการปรงไปเรื้อยแต่ว่าเมื่อมีโอกาสก็ควรที่จะบเพ็ญกุศลทับท่านต่อไปพวกเราที่มาที่นี่ทุกคน ก็รแล้วแต่รู้จักหรือว่าเกี่ยวดองเกี่ยวโยงกับคุณยายเชื้ อ, อคงพิพับ ก, ก็คงทราบดีอยู่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืน90กว่าปีถ้าอีก6ปีท่านมีชีวิอยู่ก็อายุครบร้อยะไ ม, ไม่จะไม่ครบร้อยนะอายุ94ปนะีก็ถือว่ามากทาง พุทธศาสนาเรียกว่าท่านเป็นรัตตันโยรัตตันญูคือผู้ที่ผ่าดาตรีหรือรู้ราทรีนาการมีอายุยืนจนเกือบครบหนึ่งศตรวตรรษเราต้องถือว่าเป็นโชคสำหรับผูุ้ชนพวกเราทั้งหลายก็ร่วมปรารถนาที่จะมีอายุยืนเราทำบุญ ความเป็นกุศมากมายส่วนหนึ่งก็เพราะเราปรารถนาการมีอายุยืนอดังที่เรามักงอยากจะให้พระวอวยพรว่าอายุวรรณะสุขภัละการมีอายุยืนเป็นยอดปรารถนาของผู้ทุชนอย่างไรงก็ตามชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนเส้นตรงและเส้นตรงเนี่ย มันมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันเป็นเส้นที่ยาวแต่ชื่นคนเราเนี่ยเป็นมากกว่าเส้นตรงไม่ได้มีแค่ความยาวแต่ยังมีความกว้างและความลึกเปรียบเหมือนกับสายน้ำแต่แม่น้ำเนี่ยจะยังประโยชน์หรือมีคุณค่าได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแม่น้ำที่ยาวอย่างเดียวแต่จะต้องมีความกว้างและความลึก ความยาวก็เปลี่ยนได้กับชีวิตหรืออายุที่ยืนยาวแต่นอกจากการมีอายุที่ยืนยาวแล้วนะเราควรมีความกว้างด้วยชีวิตที่มีความกว้างก็หมายถึงชีวิตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนทั้งญาติมิตรคนรุ่นัก และผู้ตกทุกข์ไดยากรวมทั้งทําประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างชีวิตที่ยืนยาวแม้จะยาวเกินศตรวรรษเช่นอายุร้อยปีแต่ว่าไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้คนทั้งใกล้หรือไกลไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมเลยก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้ ถ้าเราปรารถนาชีวิพเรอมีคุณค่าอย่าคิดแต่เพียงการทำให้ชีวิตมีอายุยืนเท่านั้นแต่ควรเป็นชีวิตที่มีความเสียสละมีความเอื้อเฟื้อยอมสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์องส่วนรวมช่วยให้ผู้คนมีความสุขช่วยให้ผู้คนได้ผ่านการตกทุกข์ได้ยาก นี่เลยว่าเป็นชีวิตที่มีความกว้างนอกจากความยาวและความกว้างแล้วก็มีความลึกลึกในชีนี้หมายถึงชีวิตที่มีจิตใจที่ลุ่มลึกนะมีความลุ่มลึกเพราะว่ามีความเข้าใจในศัจธรรมความจริงของชีวิตชีวิตที่มีความลุ่มลึกนะเป็นชีวิตที่มีฐานที่จะเอื้อให้ บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางเหมือนต้นไม้ถ้ามีรากที่ลึกก็ย่อมสามารถจะแทงยอดได้สูงเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และมีกิ่งก้านที่แผ่กว้างให้ร่มเงากับมนุษย์และเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์นานาชนิด ความเพื่อเพื่อเพ่แพรของต้นไม้เกิดขึ้นได้เพราะมีรากที่ลึกชันใดชีวิตที่จะมีความเพื่อเพึ่อเื่อแคกว้างขวาอบอ้อม อ, อ, อ, อารีเป็นไปได้ก็เพราะมีจิตใจที่ลุ่มลึกเช่นมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือมองว่าผู้คนทั้งหลายล้วนเป็นญาติเป็นมิกับเรา อันนี้เป็นทัศนะที่มีความลึกก็คือไม่ได้มองว่าคนอื่นที่ไม่ใช่คือญาติของเรานะเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าแต่ที่จริงมองว่าเขาเรานันก็คือญาติคือมิตรของเราหรือว่าเคยเป็นมิตเคยเป็นญาติเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา ในชาติต่างก่อนหรือในพบก่อนอนในสังสารวัตรและที่หาที่สุดไม่ได้ดังที่พู้เจ้าได้ตรัสว่าคนที่เรารู้จักในวันนี้หรือในพบนี้เล่แล้วแต่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นสามีภรรยาหรือลูกหลานของเราหรือเป็นญาติสายเลของเราในพบใดพบหนึ่งในสังสารวัต อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถ้าเรามีทัศนะแบบนีนะ้เราก็จะปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเอื้อกูลไม่คิดจะเอาเปรียบแต่ไม่คิดจะเบียดบงังนั่นจะเห็นได้ว่าความเอื้อเฟื้อเอื้อกูลเนี่ยหรือว่าจิตใจที่กว้างขวางชีวิตทีออ่อบอ้อมอารีจะต้องมีพื้นฐานของจิตใจที่ลุมลึก นะรวมทั้งการที่เห็นความสุขนะมันเกิดขึ้นได้จากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นธรรมดาคนเรามักจะคิดว่าความสุขจะมีได้ก็ต้องเกิดจากการมีการครอบครองการได้วัตถุเยอะๆการมีสมบัติมากๆเมื่อคิดเช่นนั้นจึงพยายามที่ไปตักตวงกอบโกยให้ได้มากที่สุด แม้จะเปบียดบงังแม้จะเอาเปรียบคนอื่นก็พร้อมจะทําเพราะเขคิดว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้จิตใจมีความสุขแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจที่ลุ่มลึกขอย่อมตรนักว่าการทําเช่นนั้นมีแต่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองแม้จะได้ซัความมากร่างกายสบายไม่มีสิ่งปลนเปลอ แต่จิตใจกับรุ่มร้อนเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะมีเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจมาอยู่เสมอแต่ถ้าเราตระหนักว่าความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากการมีการเอาแต่เกิดจากการให้การเสียสละจะพบกับความสุขใจแม้จะต้องเหนื่อยยากกับการช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้ก็เป็นไปอย่างที่ผู้เจ้าได้จัดไว้ว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขดละถ้าเรามีจิตใจที่ลุ่มลึกแบบนี้นะเราก็สามารถจะมีความสุขไม่ใช่มีความสุขเฉพาะเวลาเอื้อเฟื้อเกื้อเฟื้อควรคู่ดื่มแต่จิตใจที่ลุ่มลึกยังช่วยทำให้เราไม่มีความทุกขในยามประสบขับภาวะอัดสวนแปรปวดคนเราไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตแค่ไหน ไม่ว่าจะมั่งมีร่ำรวยมีชื่อเสียงหรือว่ามีอำนาจมีบริษัทบริวารเทียงใดสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นก็คือความพับพราบความแปรปวนความสันควรไม่มีใครที่จะหนีพ้นกับสิ่งเหล่านี้ได้ทำงานเก่งแค่ไหนประสบความสำเร็จเทียงใดก็ต้องเจอ ความติดพลดเจอความล้มเหลวเจ้าอุปสรรคไม่ว่าจะมีเงินมากมายเพียงใดก็ต้องเจอกับความสูญเสียทรัพย์ยิ่งแวดล้อมไปด้วยคนรักบริษัทบริวารก็ยิ่งหนีความพัดพลาดความสูญเสียคนรักในคนรวมทั้งไม่ว่าจะแข็งแรงเพียงใดดูแลสุขภาพดีเพียงไรแต่ก็จําต้องเจอกับความเจ็บป่วย นี่คือธรรมดาของชีวิตและที่สุดไม่ว่าเราจะมีอายุยืนยาวเทียงใดในที่สุดเราทุกคนก็ต้องตายความผัดขวนเปลแปงหรือความไม่เที่ยงดังกล่าวเป็นธรรมดาของทุกชีวิตทุกคนต้องเจอไม่มีใครหนีพ้นคนทั่วไปนั้นเมื่อเจอความขันข่วนเปลก็จะมีทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจ แต่คนที่มีจิตใจที่ลุ่มลึกเมื่อเจอเมื่อประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้แม้จะป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใ จ, ใจไม่ป่วยแม้จะสูญเสียทรัพย์แต่ว่าก็ไม่เสียสูงจิตใจก็ยังเป็นปกติมั่นคงนอนหลับได้และกินอีกอันนี้เป็นอันนี้สอง ของการมีจิตใจที่ลุ่มลึกแต่ถ้าเรารู้จักบังสร้างสมคุณธรรมเพื่อจิตใจมีความกว้างและบันเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจิตใจมีความลุ่มลึกเราก็จะมีเครื่องคุ้มการรักษาจิตใจในยามที่ประสบกับความผันขวนแปรปรวนสิ่งหนึ่งที่เราคุงตระหนักก็คือว่า ชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มต้นอย่างมีความสุขคนเราเมื่อเวลาเกิดมาได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่ด้วยรอยยิ้มเพราะเขาดีใจที่เราเกิดมาแล้วเมื่อครบวันเกิดทุกปีเราก็จะจัดงานฉลองแล้วลึกถึงวันเกิดและเราก็มักจะอวยพรกันว่า happy birthday ขอให้มีความสุขสรรเรืเ่องในวันเกิดแต่ไม่ว่าใครก็ตามสุดท้ายชีวิตของตนก็ต้องจบลงนะด้วยสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาหนังทุกเรื่องละครทุกซีรีส์ที่เราดูเนี่ยมันมักจะจบด้วยความสุขที่เขาเราียกว่า happy ending นะไม่ว่าจะหนังหรือละครเรื่องใด อัตมาไม่เคยดูนะบุเพสันนิวาเนี่ยแต่ก็ดาว่าจะต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะเช่นนางเอกกับพระเอกก็คลองรักกันอย่างมีความสุขนั่นคือหนังนั่นคือละครแต่ช่วงนคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่เคยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่เคยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยมันจะจบแบบไม่แฮปปี้ มันจะจบแบบไม่แฮปปี้ยังไงคือจบแบบต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่เป็นจุดจบของทุกชีวิตคืออะไรถ้าไม่ใช่ความตายไม่ว่าจะเกิดมาคราบช้อนเงินช้อนทองหรือเกิดมาท่ามกลาคงคะเลหา่าแต่สุดท้ายทุกชีวิตก็พบจุดจบที่ไม่พึงปรารถนาทั้งสิ้น นั่นคือความตายและก่อนที่จะตายก็จะต้องเจอกับความทุกข์ที่หนักแต่อาจจะไม่หนักถึงกับความตายนั่นคือความเจ็บความป่วยและความชราแม้แต่คนที่อายุยืนแล้วก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้และจะว่าไปแล้วยิ่งอายุยืนเท่าไหร่ยิ่งดีไม่พ้น มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเสียชีวเมื่ออายุหนึ่งรปีก่อนที่ท่านเสียชีวประมาณห6หปีเวลามีวาระสำคัญเช่นวันเกิดวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ลูกหลานก็จะมาอวยพรว่ายายขอให้ยายอายุยืนนะ ปเป็นล่มโพล่มสายไปนานๆคุณยายท่านนี้ก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วลูกหลานเอ๋ยเผลอรับพรให้อายุยืนมานานตอนนี้อายุยืนเพิ่งมาได้พออายุถึงเก้าสิบปีถึงค่อยได้คิดว่าพลาดไปแล้ว พ อ, อยุเกาสิบปีถึงได้มารู้ว่าพลาดไปแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วเลยจากนี้ไปก็ทุกแล้วทุกหลานเลยนะคุณยายท่านนี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่ขอรับพร น, นี้แล้วนะเพิรลับไปนะเป็นเวลาหลายสิบปีเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าพอแก่พอชาราแล้วเนี่ยมันลําบากแล้วนะคน ส่วนใหญ่ก็อยากแก่อยากจะมีอยากจะมีอายุยืนถึงร้อยปีแต่ใครที่มีอายุยืนถึงร้อยปีหรือจะว่าแต่100ปีหรือเกาปีก็มักจะบอนทุกคนว่ามันไม่ไหวนะมันมีทุกภเวชนาเยอะเกินเดินก็ลาบากขยับขยื่นก็ไม่สะดวกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับพรคืออายุยืน อย่างแรกก็ตามถ้าว่าเรามีจิตใจที่ลุ่มลึกเข้าถึงธรรมแม้จะป่วยแม้จะชราแม้ร่างกายจะติดขัดแต่จิตใจก็ปลอดโปร่งไม่ได้ทุกไปกับสังขารที่ร่วงโรยและเมื่อถึงเวลาที่จะป่วยนะก็ไม่ได้ทุกไปกับร่างกายที่เต็มไปด้วยทุกขเวทนาบีดคัน แเมื่อถึงเวลาที่จะตายก็ตายอย่างสงบได้ทุกวันนี้เนี่ยคร้ๆเ็ปรารถนาที่จะมีอายุวันณนะสุขพะพละแต่ที่จริงแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะลืมไปและไม่ค่อยได้คิดถึงนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะมีอายุวันณนะสุขพะพละสุดท้ายก็ต้องตาย และเมื่อจะตายสิ่งที่เราควรปรารถนาก็คือว่าขอให้ตายอย่างสงบ ต, ตายโดยไม่ทุรนทุรายตายโดยที่ไม่มีทุกขเวทนาบีคันอันนี้คือปอดอันประเสริฐที่เราควรจะคิดหรือควรจะนึกเอาไว้บ้างเพราะเราทุกคนในที่สุดก็ต้องตายและถ้าเราจะตายทำไมเราไม่คิดถึงการตายที่ดี การตายที่สงบการตายที่ไม่ทุรนทุรายไม่กระสับกระส่ายหลายคนปรารถนาอยู่ลึกๆว่าเมื่อถึงเวลาจะตายขอให้ตายแบบหลับตายไปเลยก็นะเราคิดว่านั่นะเป็นการตายที่ดีหลายคนได้ทราบถึง ก, การสิ้นชีวิตของคุณยายเชือ้อนะก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็คือว่าหลับไปเลยนะแต่บางครั้งเราก็ลืมไม่ได้ าไม่ใช่ไม่ใช่บางครั้งนะ่อยครั้งเลยทีเดียวเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายอย่างไรเราบอกไม่ได้ด้วยซ้าว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายด้วยอายุเท่าใดเราจะตายที่ไหนด้วยเหตุใดแต่สิ่งหนึ่งนะที่เราสามารถจะทำได้คือเลือกว่าจะตายสงบหรือว่าตายแบบทุรนทุราย ที่ผู้ว่านเลือกตายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะนึกเอาเองแต่หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่ถ้าเราฝึกเอาไว้แต่เริ่อๆในขณะที่ยังหนุ่มยังสาวยังมีกําลังวังชาเราก็จะสามารถเลือกตายสงบหรือตายสงบได้สมใจปรารถนาแม้ว่าจะตายในลักษณะใดหมายความว่าแม้จะไม่ได้หลับตาย อย่างคุณยายเชื้อนะแต่ว่าตายในโรงพยาบาล น, นะหรือว่าตายเพราะโรคตายเพราะมะเร็งนะตายเพราะรคหรัวใจแต่ก็อยู่ในวิสัยที่เราจะตายอย่างสงบได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเอาไว้บ้างนะอย่าคิดแต่เพียงว่าขอให้ชีวิตนี้น ะ, จะเจริญ ม, มั่งคั่งรำ่ำ ร, รวยมั่งมีสีสุก แลมีบริษัทบริวารเป็นซ e อเป็นผู้จัดการแล้มีธุรกิจนะอยู่ในการดูแลเป็นสิทธิ์กันร้อยแม้จะสมปรารถนาแต่สุดท้ายเราก็ต้องสูญเสียทั้งหมดแม้แต่ลมหายใจนะเราก็ต้องหมดไปเมื่อวันนั้นมาถึงวันนั้นคือวันที่เราต้องตายแต่แม้จะตายเราก็สามารถจะตายอย่างมีความสุขได้ อาตมาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตพุทธภาษิตสัส้นๆเนี่ยมีความหมายสองประการความหมายแรกคือเมื่อจะตายก็สามารถจะมีความสุขได้เรามีสิทธิ์ที่จะสุขขณะที่กำลังจะตายหรือเมื่อความตาย มาประชิดตัวประการที่สองเราจะสุขเช่นนั้นได้ก็เพราะอา น, นิสงส์แห่งบุญคือความดีแทนถ้าเราอยากจะตายอยากมีความสุขอยากจะตายสงบสิ่งที่เราควรใส่ใจก็คือการหมั่นทําความดีหมั่นทําความดสาีสร้างบุญสร้างบุญสนการหมั่นทําความดีในที่ว่านเนี้หมายความว่า ต้องหลีกเว้นความชั่วด้วยละเพราะถ้าทาดีด้วยทำชั่วด้วยเนี่ยมันก็ยากที่จะตายอย่างสงบได้เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะตายจิตอาจจะเปิดคิดไปถึงความชั่วที่เคยทำความชั่วนั้นอาจจะได้แก่การไปฆ่าอย่าว่าแต่ฆ่าคนและไปนักฆ่าสัตว์เป็นอาชีพก็ จ, จะทำให้เราเนี่ยหวาดภวาก่อนตายได้ เ็นเกิดนิมิตเห็นสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่ามามาหลอกล่อก่อนตายคนหนูไม่เห็นแต่เราเห็นเพราะมันเกิดขึ้นเป็นนิมิตอยู่ในใจเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะเราทำชั่ว้อยไม่รักษาศีลจึงอยู่อาจจะทำความดีมาเยอะแต่ว่าถ้ามีความชั่วแล้วมันก็อดเจียนลึกไม่ได้โดยเ่าะในเวลาใกล้ตา ย, ตาย เพราะฉะนั้นถ้าหกว่าเราต้องการที่จะตายสงบนะต้องละเว้นความชั่วและหมั่นทำความดีจัางที่พระเจ้าสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระพธิสัตว์ได้เคยกล่าวว่าเราไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงและอีกที่หนึ่งท่านได้กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมยอมไม่กลัวกัรโลก ปัจจุนโลกคือลกพบหน้าหรือโลกหน้าหลายคนกลัวตายเพราะไม่มั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาเพราะไม่มั่นใจในความดีที่ได้บังเก็ดแต่ถ้าเราทำความดีตลอดเวลาอย่างน้อยก็คิดดีอยู่ทุกลมหายใจแม้จะเผลอนะโกรธแม้ growth, จะเผลอพยาบาทนะแต่ก็รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือหักห้าม ก็มีสติรู้ทันสิ่งนี้ก็ช่วยทําให้เรามั่นใจในพบหน้าถึงเวลาที่ความตายมาถึงถ้าเราทําความดีอย่างเต็มที่เราก็พร้อมที่จะตายหรือว่าเต็มใจตายการเต็มใจตายเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของคนดีนะคนที่ทําความดีแล้วเขาจะเต็มใจตายโดยเฉพาะ เมื่อเขาได้ทำหน้าที่อย่างสำเร็จเสร็จสิ้นซึ่งทำให้เขาไม่มีความห่วงให่อาลัยในสิ่งใดสาเหตุหน่งที่ทำให้คนจานวนมากตายไม่สงบตายด้วยความทุรนทุรายก็เพราะเขามีห่วงและห่วงนั้นเนี่ยว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาดีอย่างเพียงพอเช่นมีลูกนะก็ไม่ค่อยได้ดูแลลูก หรือว่ามีพ่อมีแม่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลท่านหรือว่าทอดทิ้งท่านตามยถากรรมท่านป่วยก็ไม่สนใจดูแลการกระทำอย่างนี้แหละน ะ, ะที่จะทำให้เมื่อจะตายเนี่ยมันก็เกิดความบ่วงเกิดความรู้สึกผิดติดค้างใจถ้ามีความบ่วงใหก็ดีมีความค้างคาใจก็ดีก็ตายสงบได้ยาก อันนี้เราถึงความโกรธด้วยนะโกรธคนนั่นคนนี้หรือว่าโกรธตัวเองที่ไม่ยอมรักษาไม่ดูแลสุขภาพนะก็เลยเป็นมะเร็งเป็นโรคหรัวใจจนอมามพึ่อามาพากเพราะเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากกินไขมันเยอะในคูมาหานหลายคนโกรธตัวเองหลายคนโกรธชะตากรรมว่าทำไมนะ เราก็ทำความดีมาเยอะแต่ทำไมจึงต้องมาเจอเหตุร้ายแบบนี้ทำไมต้องเป็นชั้นจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่โกรธมากเลยนะเพราะข้อตึง เ, เป็นมะเร็งตะโกนว่าเนี่ยชีวิตทำให้กูเป็นโสดแล้วทำไมยังต้องให้ทให้กูเป็นมะเร็งด้วยอันนี้เขาไม่รู้จะโกรธใครก็เลยโกรธชะตาชีวิตโกรธชะตากรรมถ้ายังมีความโกรธแบบนี้เนี่ย มันก็ทำให้ตายสงบได้ยากแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักให้อภัยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีสิ่งคลางขาดใจควบคู่แปบการทำความดีเมื <Vor> ่อ <marine S 2> เรา <ๆ S 2> ทำหน้าที่อย่างดีเราไม่มีสิ่งใดที่จะรู้สึกว่าบกพร่องในหน้าที่ขณะเดียวกันเราก็รู้จักความเป็นภาวนารู้จักปล่อยรู้จักวางบ้าง ทำความดีแต่ถ้าไม่ปล่อยไม่วางมันก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเช่นทําความดีแล้วแต่ไม่มีคนเห็นนะเราก็น้อยใจทําความดีแล้วไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วก็ไม่เพิ่มก็น้อยใจหรือโกรธเคืองหรือว่าทาความดีแล้วแต่ยังถูกใส่ร้ายถูกต่อว่าแล้วก็เกิดความขุ่นเคืองทําดีแต่มีคนดีกว่า มีคนดีกว่าเราขยันกว่าเราเราก็อิจฉาเขาหรือคนอื่นก็ทําดีก็ไจะรับคำชมแต่เราแล้ไม่มีใครชมก็เสียใจน้อยใจแล้วก็โกรธเขาอิจฉาก็ไปด้วยไอ้อารมณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ทาให้เราทุกข์ในขณะที่มีชีวิตในขณะที่มีสุขภาพดีแต่ว่าเวลาจะตายมันก็สามารถจะบีดคั้นกรีดแทงจิตใจของเรา ทำให้ตายแบบทุรนทุรายนะและถ้าหากว่าจิตสุดท้ายของเรานะบันถูกค้อมงําด้วยอารมณ์เหล่านี้ก็จะทำให้ตายอย่างสงบได้ยากแถมยังไปสู่สุกติอ่สู่ทุกติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราปรารถนาที่จะตายดีตายสงบนะการที่รู้จักฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นะให้รู้จักปล่อยรู้จักวาง และขณะเดียวกันแล้วก็หมันเจริญรอหน้สติเสมอเพราะคนเราบางครั้งก็มีสิ่งยั่วยุให้โกรธมีสิ่งยั่วเย้าให้ให้โลภทําให้เราประมาทเลินในความสุขหรือหมกมุ่นกับการทํางานหาเงินจนลืมทําความดีจนลืมฝึกฝนจิตฝุกฝนใจธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีสิ่งยั่วเย้ามีสิ่งชวนให้หลงเยอะโดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งบันเทิงเริงรม จะมีโซเชียลมีเดียมีสิ่งทําให้เราหลงลืมสิ่งที่ควรทําเพื่อเตรียมตัวสำหรับการตายที่ดีเพราะฉะนั้นการมั่นเตือนใจให้ไม่ประมาดด้วยการเจริญรอนัสติอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสําคัญเจริญรอนัสติก็หมายถึงเราลึกถึงความตายว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแต่ในความแน่นอนนั้นก็มันก็มีความแม่แน่นอนสูงก็คือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ ไม่ใช่ว่าเราจะตายเมื่ อ, อยุ่งเก้าสิบสี่เหมือนคุณยายเชื่อเราจะตายตอนที่เรายัางเป็นหนุ่มเป็นสาวเรอจะตายตอนอายุ50อาจจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้นี่คือความจริงนะที่สามารถเกิดขึ้นกับเราคือความตายนั้นแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นอนในเวลาเดียวกันความไม่แน่นอนความตายก็หมายความว่าเราจะตายวันนี้วันพรุ่ง หรืออีกสองวัน3วันท้างหน้าเพราะฉะนั้นเราควรจะถามตัวเองว่าถ้าว่าเราจะตายภายในวันนี้วันพรุ่งหรือใน3วันสาอาทิตย์หรือสเดือนเราพร้อมที่จะตายหรือยังอันนี้คือประเด็นที่สองที่เราตึงเราลึกในขณะที่เราเจอละละิรมอนสติเราพร้อมจะตายหรือยังเราทำหน้าที่เราทาความดีมาพอหรือยังเราทำหน้าที่ที่ควรทำสำเร็จเสร็จสิ้นไหม และเราพร้อมจะปล่อยวางทุกอย่างหรือเปล่านี่คือส่วนที่สองของการเจริญร้อนนัสติที่เราควรจะถามตัวเราเองไม่ใช่แค่ตอบย้ำหรือเตือนเราว่าเราจะต้องตายตัวที่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะต้องถามตัวเองว่าเมื่อความตายมาถึงเราพร้อมที่จะตายไหมทำความดีมาพอหรื อ, อยังทำหน้าที่ที่สมควรทาหรื อ, อยังหรือทาหน้าที่ที่สมควรทำเสร็จสิ้นหรื อ, อยัง และพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่าถ้าว่าจเจริญร้อนนัสตีอยู่เสมอมันก็จะมีสิ่งกระตุ้นเราให้เราหมั่นทาความดีแล้วเว้นความชั่วแล้วก็หมั่นฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพื่อว่าจะไม่มีความห่วงอยอะไรอววรในเวลาที่จะล่าจากโรคนี้ไปอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะใส่ใจแต่ถ้าากว่าเรานะมีความตระหนักสิ่งเหล่านี้ เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เราก็ควรพยายามส่งเสริมช่วยเหลือให้คนรั์ของเราเขาจากไปอย่างสงบด้วยพวกเราทุกคนในที่นี้ย่อมมียากมีเพื่อนนะที่กำลังป่วยเป็นโรคร้ายอาจจะป่วยด้วยโรคมะเร็งอาจจะป่วยด้วยโรคไตาวายหรือเบาหวานและบางคนอาจจะอยู่ในระยะสุดท้ายถ้าหคุณค่าของการตายดีตายสงบ ก็ควรคิดถึงการช่วยเหลือเขาให้เขาจากไปอย่างสงบด้วยบางทีคนที่ป่วยอยู่นั้นอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราด้วยซ้ําคนเราเนี่ยนอกจากการช่วยเหลือพ่อแม่นะด้วยเงินทองนะด้วยสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตเพื่อท่านมีชีวิตที่ผาสุกในบ้านปลายรวมทั้งมีเงินรักษาท่านในยามที่ท่านที่เจ็บป่วย สิ่งหนึ่งที่เราควรจะตอนหนักก็คือว่าถ้าว่าท่านจะต้องลาจากโลกนี้ไปเราควรช่วยท่านจากไปสงบด้วยเพราะว่าการจากไปการจากไปสงบเป็นของขวัญล้ำค่าที่เราควรจะมอบให้กับคนที่เรารักในยามที่เรามีชีวิตเราก็ควรจะมีชีวิตที่จบสวยนะแม้ทุกชีวิตจะต้องจบด้วยความตาย แต่ก็จบสวยได้หมายความว่าจบโดยการตายดีตายสงบในท้องเดียวกันเมื่อคนรักของเราเนะีเขาป่วยหนักหรือว่ากําลังสุริยันท้ายสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจก็คือว่าช่วยเขาตายสงบหรือจบสวยด้วยอย่าคิดแต่เพียงว่ายืดชีวิตเขาให้ได้อยู่นานที่สุดหาเงินหาทองมาให้เขาเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลที่ดี เมื่อเวลาเขาเจ็บป่วยอยู่ระยะท้ายก็คิดต่เพียงว่าจะยื้อเขาบอกหมอว่าหมอจัดเต็มเลยนะหลายคนคิดว่านี่คือวิธีการแสดงความกระตันอยู่คือบอกหมอให้ยื้อชีวิตของคนที่เรารัานะหมอจัดเต็มนะอันนี้คือคําพูดที่หมอจํานวนมากได้ยินนะจากลูกหลานของผู้ป่วยที่ใกล้ตายแต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าให้หมอจัดเต็มหรือยื้อช่วยเขาแล้วเนี่ย เขาจะไปอย่างสงบประสบการณ์เขาทมาและประสบการณ์หลายคนพบว่าผู้ที่ถูกยื้อชีวิตหรือถูกหมอจัดเต็มจํานวนมากตายแบบทุรนทุรายตายด้วยความเจ็บปวดหลายคนไม่อยากจะตายเพราะมีสายเโยงระยางมากมายมีเครื่องช่วยหายใจที่ไปกระตุ้นการเต้นของการหายใจของเขาหรือฉีดยากระตุ้นหัวใจเพื่อกระตุ้นความดันคนป่วยหลายคนไม่ต้องการ แต่ว่าลูกหลานก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าความกตัญญูที่จะพึงมีกับพ่อแม่ก็คือการยื้อชีวิตเขาให้ได้นานที่สุดแต่หารูไ้ไหมว่าการทําเช่นนั้นกลับเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานและบ่อยครั้งการกระทําเช่นนั้นก็เกิดจากพราะลูกหลานที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกไม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่แต่ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตดีมีสุขภาพดีก็ไม่ค่อยใส่ใจแต่ตอนที่ท่านป่วยระยะท้าย ก็เกิดอาการที่ทางการแพทย์ในวงการแพทย์เรียกว่ากระตันยูเฉียบพันแล้วนะก็คือว่ายืดชีวิตท่านนะพร้อมจะเสียเงินเป็นล้านเป็น10ล้านเพื่อท่านได้หายใจได้นานที่สุดแต่หารู้ไหมว่านั่นคือการสร้างความทุกข์ทรมารยให้กับท่านจะไม่ดีกว่าหรือที่เราพยายามช่วยท่านให้ท่านจากไปสงบนะเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องจากไปก็จากไปโดยที่ไม่มีความโง่หาอะไรไม่มีความอะไรเอาวอ์ มีจิตใจน้อมนึกไปถึงคุณธรรมความดีที่เคยบงเพ็ญ น, นะแล้วก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งมีเวลาที่เราจะได้บอกบอกรักท่านบอกความในใจท่านบอกให้ท่านรู้ว่าชีวิตท่านมีคุณค่ากับเราอย่างไรและเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นร่วมท่านมีความภูมิใจที่ได้รับควา ม, กมเกื้อเฟื้อเกื้อกูลจากท่านให้ท่านรู้สึกภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาและมีความมั่นใจว่า เราจะอยู่ได้แม้ท่านจะจากไปทราบว่าเรารู้จักนะทำให้ท่านเนี่ยหมดความห่วงใย ห, หรือช่วยปลดเครื้องสิ่งทังขาใจที่เคยขัดแยง้งก็คืนดีกันบอกรักกันโอบ ก, กอนกันก็ทำให้ท่านจากไปสงบได้นี่คือของขวัญล้าค่าที่ลูกหรือหลานเนี่ยสามารถจะมอบให้กับผู้ประการู้ไม่ว่าพ่อแม่และผู้ย่าตายายได้ ซึ่งอาจจะมีค่ายิ่งกว่าการทุ่มเทเงินเป็นสิบล้านเพื่อให้ท่านมีอายุยืนซึ่งที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่การมีหายใจมีลมหายใจที่ยืนยาวเท่านั้นแต่เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเราตระหนักเช่นนี้ก็ให้ลองมาทบทวนดูว่าเราจะทําอย่างไรในวันนี้เพื่อให้บุพการีของเราเมื่อถึงคราวที่ท่านจากไปท่านจากไปอย่างมีความสุข แต่อย่าไปรอช่วยท่านจากไปมีความสุขการที่ท่านยังมีชีวิตยังมีสุขภาพดีก็ดูแลท่านเอาใจใส่ท่านและให้เวลากับท่านเพื่อท่านภูมิใจในตัวเราให้ท่านภูมิใจว่าท่านเป็นที่รักของเราและมีความขอบคุ่นใจที่เราได้มอบความรักให้กับท่านเราจะรับ ก, การดูแล ทางจิตใจอย่างดีเมื่อถึงเวลาจะตายแนะก็จากไปสมบรณอาตมาก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรนะเพื่อที่จะชี้นําให้ตนหนักนะถึงการมีชีวิตที่พึงปราถนานั่นคือการมีชีวิตที่ไม่เพียงแต่ยืนยาวแต่เป็นชีวิตที่มีความอบอ้อมอารีเรยเ อ, อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่และมีจิตใจที่ลุ่มลึกนะซึ่งความลุ่ลล ม, ล, มลึกนั้น ไม่เพียง่ช่วยมีความสุขผ่านพ้นความผันผวนปลวนแปรความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของสิ่งต่างๆได้ทานั้นแต่ยังจะช่วยทำให้เราสามารถจ ะ, ะเผชิญความตายอย่างสงบได้เมื่อวันนั้นมาถึงและนั่นก็คือสิ่งที่จะกล่าวได้ว่าทำให้เช่งเราเนี่ยจบสวย แ, แม้จะลงเอยด้วยความตายเหมือนกับค น, น, นอื่นๆ แต่เป็นการตายที่ไม่ทุกข์ทรมารเป็นการตายที่เต็มใจตายเป็นการตายที่ไม่มีความทุรดทุรายทั้งหมดที่กล่าวมาก็ถือว่าเป็นส่วนของการบาเพ็ญบุญที่ร่วมกับพวกเราทั้งหลายในวันนี้ที่มาบําเพ็ญบุญทุศิษย์ส่วนบุญลนให้กับคุณยายเชื่อภูมิทัฒน์พร้อมๆกับการที่พวกเราจะได้ทําหน้าที่ต่อบรนิทของท่านคือการโปร่งศพ นะก็ขออ้างคุณพระรศิลัตะนาตรายอำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะละเพื่อเป็นพระอัจจัยในการทำความดีนะไม่ถึงพร้อมให้มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอายุที่ยืนยาวมีความอบอ้อมอารีคือความกว้างได้มีจิตใจที่ลุ่มลึกมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาเพื่อนาทาง ให้เราเนี่ยประสบกับความสุขในชีวิตและเพื่อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางและพร้อมกันนั้นก็ขอให้บุงกุศลที่ได้บําเพ็ญจงอํานวยอวยพรให้คุณยายเชื้อคงอิพัทได้ประสบสุขในสัมภาระะพกและได้มีโอกาสมาบรรจบพบพุทธศาสนาเพื่อได้บําเพ็ญคุณงามความดีจนกระทั่งได้ก็ถึงจุดหมายสูงสุด ข, ของชีวิตก็คือพระนิพพาน ในะคกตักการด้วยเธอ